จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทธอุบาสอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช5 5งเป็นวันพระวันธรรมมะสวนะวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมัญญิ ให้สาธุชนพุทธบริษัตทได้มาวัดเพื่อมาดูแลรักษาตนเองตนเองที่นี้ก็หมายหมายถึงจิตใจที่เป็นตัวเราของเราส่วนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรากิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เรามักจะถูกความหลง หลอกให้ไปทำสิ่งต่างๆให้กับผู้อื่นคือทำให้กับร่างกายทำให้กับกิเลสความโลภความโกรธความหลงทำให้กับตัณหาความอยากต่างๆตัวเราจึงไม่ค่อยมีความสุขกันมีแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่ดูแลใจของเราเราไม่ดูแลตัวเรา เราโมาแต่ไปดูแลร่างกายเช่นถ้าเมื่อวันนี้ไม่ใช่เป็นวันพระยาโยงก็จะไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองหาสิ่งต่างๆมาให้กับร่างกายมาหาสิ่งต่างๆมาให้กับตัณหาความอยากหาสิ่งต่างๆมาให้กับความโลภความโกรดความหลง พอเราไปดูแลคนอื่นเราไม่ดูแลตัวเราผลเป็นยังไงเราก็อดอยากขาดแคลนไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจนี่แหละคือสาเหตุที่พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติวันรรมัสวานณะวันเข้าวัดเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้ยุติการ ทำงานให้แก่ผู้อื่นหนึ่งวันยุติการทำงานให้กับร่างกายยุติการทำงานให้กับกิเลสตัณหาแล้วมาทำงานให้กับจิตใจเพราะการทำงานให้กับจิตใจจะนำความสุขความเจริญมาให้กับจิตใจนั่นเองถ้าไปทำให้แก่ร่างกายทำให้กับกิเลสตัณหาก็จะนำแต่ความทุก ความวุ่นวายใจมาให้พระพุทธเจ้าจึงต้องกําหนดวันพระขึ้นมาเพื่อญาติโยมจะได้ปล่อยวางภารกิจของผู้ปล่อยวางภารกิจของร่างกายปล่อยวางภารกิจของตัณหาความอยากอย่างวันนี้เราไม่รับใช้ตัณหาหนึ่งวันถ้าเรามาถือศีลแปดเราก็จะไม่ทําตาน ความอยากของตันหาเช่นจะรับประทานอาหารก็รับเพื่อดูแลร่างกายไปไม่รับประทานตามความอยากอยากจะรับประทานอะไรอยากจะดื่มอะไรวันนี้จะทำไม่ได้ถ้าเราถือสิ่งแตเช่นถ้าเราถือรับประทานก่อนเที่ยงวันหลังเที่ยงวันแล้วเราจะไม่รับประทานอาหารอีกอันนี้ก็เป็นการยุติการ ทำประโยชน์ให้กับตัณหาความอยากถ้าอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนวันนี้ก็บอกว่าขอหยุดหนึ่งวันวันนี้เป็นวันพระจะไม่ทำตามความอยากจะมาทำภารกิจให้กับจิตใจภารกิจให้จิตใจก็คืออะไรก็คือการภาวนาการทำใจให้สงบนี่ถ้าเราไปทำภารกิจให้กับตัณหา เราก็จะไม่มีเวลามาทำภารกิจให้กับจิตใจไม่มีเวลามานั่งสมาธิไม่มีเวลามานั่งไหว้พระสวดมนต์ไม่มีเวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมเราจึงต้องตัดภารกิจของตันหาไปศีลข้อสามก็ต้องถือเป็นอพ ร, รมจริยาเวรมณี ถ้าสินห้าก็เป็นกาเมสุวิชาจาระเวระมณีถ้าสินห้านี้ยังทำภารกิจของตัณหาได้อยู่คือยังร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้อยู่แต่ถ้ามาถือสินแปดถืออพ ร, รมัจรลิยาเวระมณีก็ยุติการทำเพื่อตัณหาหนึ่งวันแล้ว ตัณหาที่อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะเล่นอยากจะเที่ยวก็ต้องหยุดไปเมื่อเรามาถือศีลข้อเจ็ดกันก็คือจะไม่หาไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงต่างๆไม่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าวิจิตรพิสดารเสริมความสวยด้วยเครื่องสำอางต่างๆ ด้วยการทำาเผ้าทำผมต่างๆวันนี้จะเป็นคนธรรมดาจะไม่เป็นนางฟ้าไม่เป็นพญาไม่เป็นเทวดาสักหนึ่งวันขอให้เป็นคนธรรมดาอาบน้ำอาบท่าหวีเเผวหวีผมก็พอแล้วเสื้อผ้าก็ใส่แบบเรียบง่ายชุดขาวมีชุดขาวก็ใส่ชุดขาวไปนี่คือการหยุดทางานให้กับ คือนตันหาแล้วก็มาทำงานให้กับจิตใจก็คือมาฟังเทศฟังธรรมมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดศีลกแปดก็ต้องทำเพราะเป็นการทำเพื่อไม่ทำเพื่อตันหาความอยาก ถ้าเรานอนบนฟูกหนาะๆเวลานอนเราจะนอนเพื่อร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ได้เราจะนอนเพื่อร่างกายกับเพื่อตัณหาด้วยเช่นเรานอนบนฟูกหนาะๆร่างกายเหน็ดเหนื่อยง่วงนอนก็พักหลับร่างกายหลับไปสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาเพราะร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วแต่ถ้านอนบนฟูกหนาะๆสบาย ก็จะไม่อยากลุกขึ้นมาก็จะนอนให้กับตันหายอีกสี่ห้าชั่วโมงเวลาที่จะเอามานั่งสมาธิเอามาทำใจให้สงบเอามาทำใจให้มีความสุขก็ศูนไปก็จะไม่ได้ทำนี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้กับตัวเราบ้างเรามัมแต่ทำให้แต่คนอื่น แล้วตัวเรานี่กลับไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเวลาตายไปร่างกายตายไปร่างกายเราก็เอาไปไม่ได้ของต่างๆที่เราหามาให้กับกิเลสตัณหาเราก็เอาไปไม่ได้เราก็จะไปตัวเปล่าๆ เ, เพราะเราไม่ได้ทำอะไรให้กับตัวเราเลยแต่ถ้าทุกวันพักเรามาวัดเรามาทําบุญทําทานใส่บาศ ถวายสังฆทานเรามารักษาศีลห้ารักษาศีลแปเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเนี่ยเรากำลังหาสมบัติให้กับตัวเราหาความสุขให้กับตัวเราพอเวลาที่เราต้องออกเดินทางเพราะว่าเวลาร่างกายตายไป เราก็ต้องไปสู่ที่ใหม่สู่พบใหม่ถ้าเรามีบุญมีทานมีศีลมีภาวนาพาเราไปเราก็จะไปสู่สุขติเราไม่ต้องรอให้คนมาพูดขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดเวลาเราตายเพราะเขาพูดหมื่นครั้งแสนครั้งก็ไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนา ไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่มีการฟังเทศฟังธรรมการอวยพรของคนเขาก็เป็นเพียงลมปากเปล่าเช่นเวลาคนตายแล้วมักจะพูดว่าขอให้ไปสู่สุขติสู่สรรปรายาภพไปสู่ที่ชอบที่ชอบการจะไปได้นั้นอยู่ที่บุญที่เราทำในวันนี้ถ้าเราไม่มีบุญก็เหมือนกับเราไม่ได้เติมน้ำมันรถ พอถึงเวลาจะออกเดินทางสตาร์ทเครื่องก็ไม่ติดเพราะไม่มีน้ำมันจะขับรถไปก็ไม่ได้ก็ต้องเดินไปหรือบรโ บ, บ, ก, บกรถไปเป็นขอทานแต่ถ้าเราเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆเติมให้เต็มถังพอถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินทางเราก็ขับรถพาเราไปตามที่ที่เราอยากจะไปได้นี่คือบุญกุศ ل ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นมาทำกันให้มากๆให้พวกเราอย่าลืมว่าเรายังเป็นผู้เดินทางอยู่เรายังไปไม่ถึงบ้านของเรายังไม่ถึงพระนิพพานถ้าเราถึงพระนิพพานแล้วเราไม่ต้องทำบุญก็ได้พระอาหารหันต์พระพุทธเจ้านี้พอท่านถึงพระนิพพานแล้วบุญท่านไม่ต้องทำแล้วทำก็ไม่มีประโยชน์อะไร ทำก็ไม่ไม่มีอะไรมีความแตกต่างเพราะท่านถึงบ้านแล้วรถถึงบ้านแล้วเอาไปเติมน้ํามันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ขับไปไหนอีกแล้วเมื่อเราถึงบ้านแล้วมีของดีๆของวิเศษอยู่ในบ้านของเราของที่ดีที่วิเศษกว่าของนอกบ้านเราจะไปนอกบ้านทําไมให้เหนื่อยไปเปล่าๆนี่แหละคือพระนิพพานบ้านของพวกเรา ที่ตอนนี้พวกเรายัางเดินไปไม่ถึงกันเราจึงต้องขยันเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆเติมบุญเติมกุศลอยู่เรื่อยๆเพื่อพบหน้าที่จะดีกว่าพบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงบ้านของเราอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาพระเจ้าสิบชาตินี่แหละคือชีวิตของพระพุทธเจ้าในแต่ละชาติท่านจะบำเพ็ญบุญบรารเี เติมน้ำมันไปทีละเล็กทีละน้อยพอมาถึงชาติของเจ้าชายสิธทธัตถะก็ออกบวชตัดจรูเป็นพระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้ไปถึงบ้านของพระพุทธเจ้าคือพระนิพพานได้พอถึงแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปไม่ต้องทำบุญไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าถึงบ้านแล้วไม่ต้องเติมน้ำมันรถอีกแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำหลังจากนั้นไม่ได้ทำเพื่อพระพุทธเจ้าเองแต่ทาเพื่อผู้อื่นคือเติมน้ำมันให้แก่ผู้อื่นเนเวลาพระพุทธเจ้าสอนธรรมานี้ก็เป็นเหมือนกับสอนวิธีเติมน้ำมันให้กับพวกเราถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอน พวกเราก็จะไม่รู้จักตัวเราว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปทำเพื่อผู้ไปทำเพื่อร่างกายไปทำเพื่อกิเลสตัณหาอย่างที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันนี้เราทำเพื่อใครถามจริงๆเราทำเพื่อร่างกายใช่ไหมซื้อเสื้อผ้ามาเต็มตู้นี้เพื่อใครซื้ออะไรต่างๆมามากมาย ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆมาเพื่อใครซื้ออาหารชนิดดีๆต่างๆมารับประทานเพื่อใคร<ม>ก็เพื่อร่างกายพร้อมกับตัณหาไปด้วย<ม>ถ้าทำเพื่อร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ต้องกินอาหารดีๆก็ได้กินอาหารธรรมดาให้มันอิ่มท้องก็อยู่ได้เหมือนกันเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อแบบราคาแพงๆก็ได้ใช้เสื้อผ้าถูกๆก็ก ใช้กกปิดป้องกันรักษาร่างกายได้เหมือนกันบ้านไม่ต้องไปซื้อก็ได้เช่าเขาอยู่ก็ได้มันก็เป็นที่อยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันถ้าทำเพื่อร่างกายก็ไม่ต้องทำด้วยราคาแพงๆไม่ต้องหรูหราไม่ต้องฟุ่มเฟือยที่หรูหราที่ฟุ่มเฟือยนี้ทำเพื่อกิเลสกันหาทำเพื่อความอยากเพราะคิดว่า ถ้ามีของหรูหรามีของแพงๆใช้แล้วจะมีความสุขมากแต่หารู้ไมมว่ามันกลับเป็นความทุกข์เพราะจะต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาซื้อของแพงๆต่างๆไว้ใช้แทนที่จะมีเวลามาวัดมาทำประโยชน์ให้กับตนเองก็เลยกลายเป็นทาตของตัณหาไปต้องหาเงินหาทอง เพื่อที่จะได้มาซื้อของแพงๆของหรูหราของฟุ่มเฟือยใช้ใช้ไปแล้วคิดว่าจะมีความสุขกับมีความทุกข์ทุกข์กับการหาเงินทุกข์กับการที่จะต้องรักษาเงินทองเอาไว้ที่จะไม่ค่อยพอใช้เพราะเวลาเกิดความอยากเห็นอะไรสวยเห็นอะไรงานเห็นอะไรถูก อ, อกถูกใจก็จะห้ามใจไม่ได้ เงินทองหามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปกับการใช้กับความอยากพอเวลาเกิดมีความจำเป็นต้องใช้เงินใช้ทองก็จะไม่มีเงินใช้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วก็ต้องไปเครียดกับการใช้หนี้ใช้สินต่อไปเพราะการทาตามความอยากนี้จะไม่มีวันอิ่งไม่มีวันพอ ได้มามากน้อยเพียงไรก็จะไม่พอได้รถคันหนึ่งแล้วก็อยากจะได้อีกคันหนึ่งได้อีกคันหนึ่งก็อยากจะได้คันหนึ่งถ้ามีเงินนี่บางคนซื้อทีห้ามีรถสี่ห้าสิบคันพวกคนรวยๆนี่บางทีต้องสร้างโกดังเก็บรถไว้เพราะเวลาเห็นรถรุ่นใหม่ออกมาสวยชอบใจก็ซื้อพอเห็นรุ่นใหม่ออกมา ก, ก็ซื้อ ซแล้วก็ขับเพียงทั้งของครัง้งแล้วก็ซื้อคันใหม่มาขับอีกเพราะมีเงินมีทองที่จะซื้อแต่ถ้าเกิดวันใดคืนใดเงินทองหมดวันนั้นจะเดือดร้อนเพราะเวลาอยากแล้วไม่ได้ทำตามความอยากนี้จะมีความทุกข์ใจเป็นอย่างมากบางครั้งถึงกับต้องข่าตัวตายคนที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้ เช่นคนที่เคยร่ำเคยรวยแล้วต้องมาสิ้นเนื้อประดาตัวจะทนอยู่กับความยากจนไม่ได้ก็จะคิดฆ่าตัวตายหรือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอัมพาตไม่สามารถที่จะทําตามความอยากได้ก็จะไม่อยากจะอยู่ต่อไปแต่ถ้าเรามาดูแลร่างกายของเราอย่างสม่ําเสมอ ตามที่พระเจ้าทรงสอนให้เรากระทำกันเช่นวันนี้ท่านสอนให้เรามาทําทานกันเพื่อที่เราจะได้ลดการใช้เอาเงินไปใช้กับของฟุ่มเฟือยต่างๆกับของไม่จำเป็นต่างๆเพราะเวลามีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วมันร้อนต้องเอาออกไปเวลาเห็นข้าวเห็นของนี่เงินในกระเป๋ามันร้อนต้องเอาไปซื้อมาถึงจะหายร้อน ซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวก็อยากจะซื้ออีกเดี๋ยวเงินก็ไม่พอใช้แต่ถ้าเราเอาเงินมาทำทาน เ, าเงินที่มันร้อนมันก็จะหมดไปแล้วการทำทานก็จะทำให้เราได้ความสุขใจได้ความอิ่มใจทำให้เราตัดความอยากซื้อเขาเข้าของที่ไม่จาเป็นลงไปได้ ตัดการใช้เงินเพื่อการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ถ้าเราทําบ่อยๆต่อไปเราจะไม่อยากไปเที่ยวที่ไหนเราจะไม่อยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะเราเห็นว่ามันสู้เอามาทําบุญไม่ได้ผลที่ได้รับจากการทําบุญนี้มันดีกว่าผลที่ได้รับจากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆจิตใจ เวลาไปเที่ยวมันสุขเดียวเดียวพอกลับมาแล้วก็ว้าเหว่เหมือนเดิมเศร้าสร้อยหงอยเหงาเหมือนเดิมไม่เหมือนกับเวลาไปทำบุญกลับมาบ้านแล้วมีความสุขใจอิ่มใจไม่รู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาหรือว้าวเวยแต่อย่างใดนี่แหละคือวิธีเอาเงินมาใช้ให้มันถูกเอามาใช้ให้กับตัวเราจริงๆเอามาให้ความสุขกับเราด้วยการทำทาน แล้วเราก็บารักษาศีลกันรักษาศีลแล้วก็จะทำให้เรายิ่งมีความสุขเพราะเวลาเราไม่รักษาศีลนี้ใจเราจะไม่สงบใจเราจะวุ่นวายจะวิตกกังวลไม่เชื่อลองไปขโมยของมาดูลองไปโกหกใครมาดูลองไปประพฤติผิดประเวณีดูแล้วดูว่าใจเราจะสบายหรือไม่สบายเวลาเราเห็นหน้าแฟนเรา เราจะรู้สึกอย่างไรแล้วเกิดเวลาแฟนท้อถามว่าไปไหนมาเราจะตอบเขาว่าอย่างไรความรู้สึกภายในใจจะไม่สงบจะไม่เย็นจะไม่สบายจะวุ่นวายจะเดิอดร้แต่ถ้าเราไม่ทําบาปเราไม่ทําผิดศีลเราจะรู้สึกเฉยๆเวลาเจอหน้าแฟนเราเราก็จะไม่ตื่นเต้นตกใจหวาดกลัว วราเราไม่ได้ทําอะไรผิดยังไม่ได้ทําอะไรเสียหายนี่คือประโยชน์จากการรักษาสิงจะทําให้ใจของเราสบายมีความสุขแล้วพอเรามีสบายความสบายใจเราก็จะรักษาสิงแปดได้เราทาทานก็จะทําให้เราไม่ต้องออกไปหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทอนไปเที่ยวไปกินไปดื่ม เราก็จะรักษาสินแปลกพรารักษาสิ่แปล8ได้เราก็จะมีเวลามานั่งทาใจให้สงบมานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธมาสวดมนต์ไหว้พระมาฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าใจเราไม่ไปคิดเกี่ยวกับเรื่องตัณหาความอยากต่างๆใจเราก็จะว่างจะเย็นจะสบายจะมีความสุข เราก็จะพบกับความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขของเราที่เราเอาติดตัวไปได้เวลาที่เราตายไปแล้วความสุขนี่แหละคือสวรรค์ชั้นต่างๆความสุขชั้นต้นก็ความสุขชั้นเทพความสุขชั้นที่สองก็ความสุขชั้นพรมความสุขชั้นที่สามก็คือความสุขของพระอริยเจ้า ไปถึงพระนิพพานเกิดจากการที่เรามารักษาศีลแปดมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมฟังเทศฟังธรรมเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นอริยสัจสีให้เห็นอนิจจทุกขังอนัตตาเพื่อที่จะได้ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ พอไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไปถึงพระนิพพานไปถึงบ้านของเราพอเราถึงบ้านของเราแล้วเราก็สบายไม่ต้องกลับมาเดินทางเวียนว่าตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือการดูแลตัวเราการทําให้ตัวเรา ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทำให้ตัวเราได้มีความสุขที่แท้จริงนะักที่ถาวรถ้าเราไปดูแลร่างกายไปดูแลกิเลสตัณหาเราจะได้รับความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเราก็จะได้รับความทุกข์ตามมาเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายใจของเราจะทุกข์มากเวลาที่ มีความอยากแล้วเราไม่สามารถทำตามความอยากได้เราก็จะมีความทุกข์บ้างแต่ถ้าเราทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ทำใจให้สงบได้สอนใจให้ละความอยากได้เราจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายหรือเกิดขึ้นกับ ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆหรือเกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆที่เรารักเราชอบเวลาคนที่เรารักตายไปเราก็จะไม่ทุกข์เวลาคนที่เรารักเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่ทุรรกขเกก์เพราะเรารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้ตายไม่ได้ เราจึงไม่มีความอยากที่จะให้เขาไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บเพราะถ้าเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเรารู้จักวิธีรักษาตัวเราไม่ให้ทุกข์ด้วยการไม่มีความอยากเราปล่อยวางให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความจริงเหมือนกับเราปล่อยให้ฝนตกแดดออกเพราะเรารู้ว่าเราไปสั่งให้ฝนตก แดดออกไม่ได้ฝนจะตกแดดจะออกเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้คนจะแกะ่คนจะเจ็บคนจะตายเราก็ไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เหมือนกันถ้าเราไปอยากเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคนก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมแต่เราก็ทุกข์ไปเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะเราโงา่เราไม่มีปัญญา เราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราไม่ได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังมาดูแลรักษาใจของเราตัวของเราปล่อยให้ใจของเราทุกไปตามความโง่เขลาเบาปัญญาเห็นอะไรก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นก็ทุกข์ขึ้นมาเครียดขึ้นมาแต่ถ้าเรามีธรรมะ มีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆเราจะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้นจะสูญเสียเงินทองไปกี่ล้านกี่แสนก็จะไม่ทุกข์จะสูญเสียคนลักไปก็จะไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่าเราต้องเสียเขาไปอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้าไม่เสียเขาเราก็ต้องจากเขาไปอยู่ดีเพราะเราในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย นี่คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นเจริญอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆอย่าหลงอย่าลืมเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆโดยใช่เหตุเพราะทุกข์ไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงไปแต่อย่างใดทุกข์ไปแฟนก็ต้องตายจากเราไปทุกข์ไปเราก็ต้องจากสมบัติต่างๆไป ไม่มีใครที่จะครอบครองสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้ไปตลอดในแต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากโลกนี้ไปด้วยกันทุกคนแต่เวลาอยู่ก็ทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความอยากของตนเวลาต้องจากสิ่งต่างๆไปก็ต้องทุกข์เพราะไม่อยากจะจากไม่อยากจะให้สิ่งต่างๆจากเราไปเพราะเราโง่ลืมไปว่า เราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปนั่นเองแต่ถ้าเราคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะไม่ลืมจะไม่ง่เราจะฉลาดแล้วเราก็จะไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆจะอยู่กับสิ่งต่างๆไปก็ได้จะจากสิ่งต่างๆไปก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆนั่นเองนี่แหละคือ การมาทำหน้าที่ของเราดูแลรักษาตัวเราเพื่อให้ตัวเรามีบุญมีกุศลให้ทำให้ใจของเราสงบทำให้ใจของเราฉลาดพอเราสงบฉลาดแล้วเราก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอะไรต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์เวลาเราแก่เราก็จะไม่ทุกข์เวลาเราเจ็บเราก็จะไม่ทุกข์ เวลาเราตายเราก็จะไม่ถูกนี่แหละคือใจของพระพทธเจ้าใจของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้และก็จะเป็นใจของเราต่อไปถ้าเราเชื่อพระพทธเจ้าแล้วมาวัดกันทุกวันพระมาทาบุญทมทานมารักษาสาีงมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วไม่ช้าก็เร็ว ใจของเราก็จะเป็นเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันธรรมสวรรค น, นี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มาทำภา ร, รกิจของตัวท่านเองปล่อยวางภา ร, รกิจของร่างกายกับกิเลสตัณหาไว้ชั่วคราวมาทำภา ร, รกิจให้กับตัวเอง เราจะเห็นความแตกต่างของผลที่จะได้รับระหว่างทำภารกิจให้กับตนเองกับทำภารกิจให้กับผู้อื่นว่าเป็นเหมือนฟ้ากับดินเป็นเหมือนนรกกับสวรรค์เลยแล้วท่านก็จะติดใจจะอยากทำมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้รับความสุขความเจริญตามลาดับต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา